บทที่8วิธีจัดการกับสิ่งที่ทําให้เสียเวลาและส่งผลเสียต่อเป้าหมายบนเส้นทางแห่งการบริหารเวลาเพื่อความสําเร็จนั้นมักจะมีหลายสิ่งทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่แทรกเข้ามาทําให้เกิดการเสียเวลาอันมีค่าและส่งผลเสียต่อเป้าหมายโดยไม่จําเป็นนอกจากจะส่งผลให้งานล่าช้าแล้วบางครั้งยังมีผลกระทบต่อความสําเร็จในชีวิตด้วยเช่นกัน ผู้ที่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างมีชัยชนะเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงสิ่งซึ่งไม่พึงประสงค์เหล่านั้นมีอยู่หลายประการผมขอนําเสนอประเด็นหลักๆพร้อมด้วยวิธีการจัดการแก้ไขดังนี้ครับสิ่งที่เป็นปัดใจภายในความกลัวหลายครั้งความกลัวเป็นตัวปิดกั้นเราจากการเริ่มลงมือกระทําบางสิ่งบางคนไม่กล้าเริ่มต้นทําบางสิ่งเนื่องจากกลัวความล้มเหลว กลัวความยากลาบากกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีพอกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวการถูกดูหมิน่นกลัวถูกเจ้านายตำหนิกลัวรับผิดชอบไม่ไหวกลัวพลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหลายคนจึงได้แต่จด จ, ด จ, อจ้องๆเดินเฉียดไปเฉียดมาไม่ยอมถลอกแขนเสื้อขึ้นแล้วเริ่มลงมือทำเส้อทีเ้าแต่ปลอบใจตัวเองว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้รับรองไม่กลัวแล้วและจะเริ่มลงมือทาทันที แต่เขาลืมไปว่าวันพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเพราะทุกวันย่อมมีวันพรุ่งนี้ของตัวเองเสมอถ้าไม่ตัดสินใจเอาชนะความกลัวในวันนี้เราก็อาจจะกลายเป็นผู้แพ้ตลอดไปแท้จริงแล้วครับถ้าหากเรามีข้อมูลที่จําเป็นและแผนงานที่วางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพียงพอแล้วเราก็ไม่ควรกลัวที่จะลงมือปฏิบัติเพราะการเตรียมตัวที่พร้อมย่อมนําความสําเร็จมาอยู่ในมือแล้วครึ่งหนึ่ง สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการตัดสินใจที่จะสลัดความกลัวทุกอย่างทิ้งไปแล้วสวมความกล้าเข้าไว้ในใจจากนั้นเริ่มต้นขยับก้าวแรกเดินไปเมื่อมีก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองย่องตามมาอย่างไม่ยากเปรียบเหมือนการอาบน้นเย็นในฤดูหนาวการราดน้ำขันแรกนั้นเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานานที่สุดแต่เมื่อขันที่หนึ่งผ่านไปขันต่อๆไปก็จะตามมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุดเช่นกัน เมื่อตอนเป็นเด็กผมจะพูดกับตัวเองตอนอาบน้ำเย็นว่าไม่หนาวไม่หนาวแล้วก็ตัดสินใจตักน้ำขันแรกๆตัวทันทีในการทำสิ่งใดๆก็เช่นกันถ้าเราโแต่คิดว่ายากไม่สำเร็จแน่ล้มเหลว อ, อย่างแน่นอนเราก็จะเกิดความกลัวและไม่กล้าลงมือทำแต่ถ้าเราบอกกับตัวเองว่าไม่ยากเราทำได้สำเร็จแน่ชัยชนะเป็นของเราแน่เราก็จะเกิดความมั่นใจ เกิดความกล้าที่จะเริ่มลงมือกระทาจนสำเร็จความกลัวก็จะไม่สามารถฆ่าเวลาการทำงานของเราให้สูญเปล่าและทำลายโอกาสแห่งความสำเร็จของเราได้อีกต่อไปกล้าและความกลัวจะหนีไปวิธีเดียวที่จะชนะความกลัวในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้คือลุกขึ้นเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นด้วยความกล้าหาญข้อคิดจากหนังสือข้อคิดเพื่อชัยชนะ2ความไร้วินยัย ความร้ายวินัยคือตัวบ่อนทําลายความสําเร็จของบุคคลที่ร้ายที่สุดเพราะมันทําให้บุคคลนั้นไม่ทําสิ่งที่พึงกระทําในช่วงเวลาหนึ่งๆแต่กลับใช้เวลานั้นทําสิ่งอื่นๆที่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของตนเองส่งผลให้งานในความรับผิดชอบล่าช้าเสร็จไม่ทันเวลาหรือเสร็จทันแต่ได้คุณภาพของงานต่ํากว่าที่ควรจะเป็นบางครั้งทําให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายหลายครั้งก่อให้เกิดปัญหาในชีวิต เนื่องจากการใช้เวลาอย่างไม่สมดุลทุกด้านที่สำคัญของชีวิตความไร้วินัยทําให้นักศึกษาบางคนเลือกดูการถ่ายทอดฟุตบอลจนดึกและไม่สามารถลืมตาตื่นขึ้นไปเข้าชั้นเรียนตอนเช้าได้ความไร้วินัยทําให้นักเรียนหลายคนไม่สามารถสอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในคณะที่มุ่งหวังได้เนื่องจากใช้เวลาไปกับการเที่ยวเตรลเฮฮากับเพื่อนๆมากจนเกินไปความไร้วินัยทําให้พนักงานบางคนไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่ง เพราะมักจะเข้าทางานสายเป็นประจำความไร้วินยัยทำให้นักธุรกิจบางคนเสียลูกค้าเนื่องจากหมกมุ่นกับการเล่นกอล์ฟมากจนเกินไปจนติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดไม่ทันความไร้วินยัยทำให้ชีวิตครอบครัวบางคนเริ่มมีปัญหาเนื่องจากใช้เวลาทุ่มเทไปกับงานมากเกินพอดีจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวเท่าที่ควรจะเป็นวิธีการเอาชนะความไร้วินยัย คือการตัดสินใจที่จะควบคุมตนเองอย่างสุดกำลังความสามารถเขียนตารางเวลาประจำสัปดาห์และประจำวันให้ชัดเจนว่าวันใดเวลาใดควรจะทำอะไรและพกตารางนี้ติดตัวเสมอโดยอาจเขียนลงในสมุดบริหารเวลาหรือ o r g ก n ไนเซอร์หลังจากนั้นพยายามควบคุมตนเองอย่างเคร่งครัดแม้อาจจะต้องยืดหยุ่นและล้มเหลวบ้างในบางครั้งก็ยังดีกว่าการปล่อยตัวให้ไหลไปตามกระแสอารมณ์ความรู้สึกถ้าหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ควบคุมตัวเองได้ในระยะหนึ่งเราก็จะสามารถสถาปนาวินัยชีวิตได้ในที่สุดเช่นเดียวกันกับคนที่ไม่เคยตื่นแต่เช้าได้ถ้าเขาสามารถควบคุมตนเองให้ตื่นแต่เช้าตรงตามเวลาได้ติดต่อกันอย่างน้อยสี่สิบห้าวันและรักษาความตั้งใจนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะสามารถตื่นเช้าได้จนเป็นลักษณะนิสัยที่ถาวรตลอดไปผลที่ประสบความสาเร็จคือคนที่สามารถตัดสินใจทาสิ่งที่เขาควรจะทา ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยากทำสิ่งนั้นมากที่สุดได้คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมีวินัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิตอย่างแยกไม่ออกบุคคลที่ปรารถนาความสำเร็จในชีวิตจึงควรเร่งพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีวินัยในการทำสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงการผัดวันประกันพรุ่งหากจะขยายความอันคุ้นเคยนี้ให้ครบผมคิดว่าเราอาจจะได้ความหมายตามนี้ว่าการผัดผ่อนวันนี้ออกไป โดยรับประกันกับตนเองหรือผู้อื่นว่าวันพรุ่งนี้จะเริ่มทำหรือทำให้สมบูรณ์อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือความหมายนี้มักจะถูกนำไปใช้ทวนซ้ำครั้งแล้วครั้งเล่าทุกๆวันงานที่รับปากกับตนเองและผู้อื่นว่าจะเริ่มทำหรือทำให้เสร็จจึงถูกผัดผ่อนยืดยาวออกไปเรื่อยๆจนบางครั้งดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะถึงจุดแห่งการตัดสินใจแท้จริงจะมาถึง ความกลัวและความไร้วินัยตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้นในบทนี้นั้นคือสาเหตุสำคัญของพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งเพราะบางคนกลัวความล้มเหลวจึงไม่กล้าเริ่มต้นโครงมือทำได้แต่ผัดผ่อนผัดวันประกันพรุ่งไปในขณะที่บางคนเพราะความไร้วินยัยจึงไม่กล้าตัดสินใจทําสิ่งที่ควรทำทันทีกลับใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทาสิ่งที่ตนรักหรือพึงพอใจมากกว่า จากการพิจารณาผมคิดว่าสาเหตุอีกประการหนึ่งของพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งคือลักษณะนิสัยที่เฉื่อยชาชอบปล่อยตัวสบายๆไม่อยากเคร่งเครียดกับอะไรมากนักชอบทำอะไรตามอารมณ์ความรู้สึกนึกอยากจะทำอะไรเมื่อไหร่จึงค่อยทำบุคคลที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้จึงไม่รู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเร้าตนเองให้ลุกขึ้นทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกระตือรือร้นอย่างเอาจริงเอาจังตามที่ควรจะเป็นลักษณะเช่นนี้ ไม่เอื้อต่อความสําเร็จได้เลยครับผลเสียของการผัดวันประกันพรุ่งคือทําให้งานล่าช้าไม่เสร็จตามกําหนดสูญเสียความน่าเชื่อถือความก้าวหน้าและโอกาสในชีวิตนอกจากนี้ยังนําไปสู่ความทุกข์ใจเมื่อภาระรปัญหาต่างๆไม่ได้รับการสัตว์สารแก้ไขอย่างทันท่วงทีจึงมารุมสุมกองเหมือนดินพอกหางหมูก่อให้เกิดความวิตกกังวลใจอย่างหนักหน่วงในภายหลังทางแก้คือ การพยายามฝึกฝนตนให้มีระเบียบวินัยในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันและในงานที่รับผิดชอบอย่างกระฉับกระเฉงตลอดเวลาอาทิรีบกระโดดพลุงจากเตียงทันทีที่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลิกการนอนแช่อิ่มอีกต่อไปจัดการพับผ้าหม่มเก็บหมอนมุ้งให้เรียบร้อยในทันใดเมื่อทานข้าวเสร็จให้รีบเก็บจานไปล้างทันทีสาหรับเรื่องในการทางาน เมื่อได้รับมอบหมายงานใดมาก็รีบลงมือกระทำต า, ตามขั้นตอนการทำงานทันทีเลิอกอิดออดทะเลทถลายจิตคติที่ว่าช้าเร็วก็ต้องทำจะผัดผ่อนไปทำไมให้ป่วยการและเมื่อเริ่มลงมือกระทำแล้วพยายามรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจทำต่อไปจนสำเร็จไม่ละเลิกไปกลางคันเพื่อทำสิ่งอื่นที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะจะทำให้ขาดความต่อเนื่องและอาจสูญเสียความมุ่งมั่นตั้งใจได้ พึงระลึกถึงคำกล่าวที่ว่ามีสองสิ่งที่ขวางกั้นความสงบสุขในใจของคนคืองานที่ยังทำไม่เสร็จและงานที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทายิ่งยืดเวลาจุดเริ่มงานและจุดสิ้นสุดของงานออกไปมากเท่าไหร่ยิ่งยืดความทุกข์กังวลใจออกไปมากเท่านั้นความเกรงใจอย่างไม่เหมาะสมในชีวิตของผมผมรู้จักหลายคนที่เป็นเช่นนี้คือไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพราะความเกรงใจ ไม่ว่าใครจะมาขอร้องให้ทำอะไรหรือชักชวนให้ไปไหนก็วักจะรับไปเสียหมดโดยไม่กล้าเอ่ยคำว่าไม่จึงตอบรับว่าได้อยู่แทบทุกครั้งทําให้หลายครั้งแทนที่จะได้ทํางานในความรับผิดชอบให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลาก็กลับให้ล่าช้าก่อให้เกิดผลเสียตามมาอีกมากมายชีวิตการทํางานจึงไม่เจริญก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นบางคนไปไม่ถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จสูงสุดในชีวิตเนื่องจากไม่ได้ขีดเส้นกําหนด ทางเดินของตนอย่างแท้จริงแต่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามคำขอหรือคำชักชวนของคนรอบข้างจึงดิ่งถล่มสู่ความตกต่ำของชีวิตไปตลอดนักเรียนบางคนต้องสูญเสียความตั้งใจในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะเกรงใจเพื่อนๆจึงได้จะออกเที่ยวเตเรไปด้วยการเป็นประจำทำให้ไม่สามารถสอบเข้าเรียนในสาขาที่ต้องการได้ในที่สุดแท้จริงแล้วครับความมีน้ำใจต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งสมควร การมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นจึงไม่ใช่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมพึงกระทำต่อกันแต่เราควรจะมีวิ จ, จารณญาณที่เหมาะสมด้วยว่าเมื่อใดที่ควรจะรักและเมื่อใดที่ควรจะปฏิเสธคําขอถ้าหากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอของเขานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นและเราไม่มีงานเร่งด่วนที่ต้องรีดทําให้เสร็จทันกําหนดเราก็ควรที่จะหยิบยื่นน้ําใจเข้าไปช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมหรือแม้ว่า เราจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาแต่ถ้าสิ่งที่เขาขอร้องนั้นมีความสำคัญเร่งด่วนมากกว่าเราก็ควรช่วยเหลือเขาก่อนตามสมควรอย่างไรก็ตามหากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอของเขานั้นไม่สมเหตุสมผลไม่มีความจำเป็นอาจเกิดความเกียจคร้านไม่รับผิดชอบในงานของตนอย่างเต็มที่การปฏิเสธคำขอนั้นย่อมดีกว่าการรับด้วยความเกรงใจเพราะผลเสียนั้น นอกจากจะทำให้เราต้องแบกรับภาระของผู้อื่นอย่างไม่สมควรแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบของเราก็เป็นได้และยังเป็นการบ่มเพาะหรือส่งเสริมลักษณะชีวิตที่ไม่เหมาะสมของเขาให้งอกงามขึ้นอีกด้วยในบางครั้งแม้คาขอของผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นเราก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยว่าการให้ความช่วยเหลือของเรานั้นจะส่งผลต่องานในความรับผิดชอบของเรามากน้อยเพียงไร มีแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าหรือไม่บางสถานการณ์เราอาจจะให้คำแนะนำและชี้แนวทางการจัดการกับปัญหาให้กับเขาเขาก็จะสามารถที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียความรับผิดชอบของเราไปโดยไม่จำเป็นสำหรับการเอาชนะความเกรงใจต่อคำชักชวนนั้นเราจาเป็นจะต้องมีความมุ่งมั่นและชัดเจนในเป้าหมายที่ตั้งไว้หากคาชักชวนนั้น จะนำให้เราไขว้เขวหรือผิดพลาดไปจากเป้าหมายเราก็ควรกล้าที่จะปฏิเสธอย่างนุ่มนวลเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ในขณะเดียวกันอาทิเมื่อเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะกล้าปฏิเสธไม่ไปเที่ยวเตะกับเพื่อนๆในหลายๆครั้งเพื่อจะสามารถสร้างครอบครัวอุดมคติตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงการมุ่งเอาชนะจนเกินควรเด็กบางคนนั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างขมักขมัน เอาจริงเอาจังจนหลายครั้งไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่จะรับประทานอาหารนั่นเป็นเพราะนอกจากความสนุกสนานของเกมแล้วสาเหตุสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในเกมคอมพิวเตอร์ของเขาเขาต้องทำคะแนนสูงขึ้นให้ได้ต้องผ่านด่านอันยากเย็นนั้นไปให้ได้จิตใจจึงจดจ่ออยู่กับการมุ่งมั่นเอาชนะจนละเลยสิ่งสาคัญและจาเป็นอื่นๆไปเสียหมดในเรียนบางคน ต้องเสียเวลาจำนวนมากไปกับการทำข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในบางข้อเมื่อคิดไปออกก็ยังคงพยายามคิดคิดแล้วคิดอีกพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดคำตอบออกมาให้ได้จนเวลาล่วงเลยไปท้ายที่สุดก็ไม่สามารถทำข้อสอบทั้งหมดได้ทันเวลาหลายคนจึงต้องพลาดคณะหรือสาขาที่ตนอยากเรียนอย่างน่าเสียดายในชีวิตการทางานก็เช่นกัน หากเราไม่ระมัดระวังให้ดีเราก็อาจจะตกหลุมพรางของการมุ่งเอาชนะจนเกินควรได้อย่างง่ายง่ายงานบางอย่างเราทำไปแล้วเกิดการติดขัดคิดต่อหรือทำต่อไม่ได้เราก็อาจจะต้องเอาชนะจึงพยายามคิดคิดคิดจนเมื่คิดออกเวลาที่เหลือก็ไม่เพียงพอกับการทำงานที่มีอยู่แล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการวางแผนตารางเวลาการทางานแต่ละช่วงไว้อย่างละเอียด และใช้ตารางเวลานั้นในการควบคุมการทํางานเมื่อเราทํางานบางอย่างไปแล้วเกิดการติดขัดทางความคิดหรือขั้นตอนบางอย่างเมื่อเราใช้ความพยายามคิดหาคําตอบหาวิธีแก้ไขพอสมควรแล้วหรือบางครั้งอาจจะขอคําแนะนําจากผู้รู้แต่ยังไม่สามารถหาทางออกให้กับปัญหานั้นได้เราก็อาจพิจารณาดูว่าเราสามารถที่จะข้ามไปทํางานอื่นๆที่สามารถจะทําให้เสร็จก่อนได้หรือไม่ ระหว่างนั้นก็คิดหาคําตอบไปเรื่อยๆเมือคิดออกแล้วจึงค่อยย้อนกลับมาทําสิ่งที่พักงานไว้ให้สําเร็จด้วยการทําเช่นนี้จะทําให้เราสามารถทํางานทั้งหมดให้เสร็จตามกําหนดเวลาได้ขาดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงานคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าการตั้งเป้าหมายในการทํางานทั้งที่การตั้งเป้าหมายในการทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่าอย่างมากเป็นเรื่องที่เราควรทําจนเป็นปกตินิสัย ผมขอแนะนําวิธีการตั้งเป้าในการปฏิบัติงานอย่างคร่าวๆไว้ว่าเราต้องรู้จักงานที่เราทําอย่างดีลักษณะของงานนั้นเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ที่ต้องทํางานชิ้นนี้คืออะไรควรทําเมื่อไหร่จึงจะเหมาะสมที่สุดต้องประสานงานกับใครหรือหน่วยงานใดบ้างต้องให้เสร็จเมื่อไหร่ใช้งบประมาณเท่าใดรวมไปถึงโอกาสที่จะพัฒนางานนั้นให้ก้าวหน้าขึ้นมากน้อยเพียงไร หลังจากนั้นจึงเริ่มเขียนลงกระดาษถึงเป้าหมายสูงสุดที่เราอยากจะเห็นเกิดขึ้นแล้วคิดดูต่อไปว่าจะใช้วิธีการไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรบ้างมีกี่วิธีวิธีใดดีที่สุดต่อจากนั้นจึงเขียนเป็นตารางการดําเนินการภาคปฏิบัติออกมาเพื่อจะกําหนดเวลาในการทําตามขั้นตอนได้อย่างชัดเจนขึ้นถ้าเราทําเช่นนี้กับทุกๆงานที่เรารับผิดชอบ เราจะพบว่าเวลาที่เราใช้ในการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆขาดการกำหนดเส้นตายหรือ Deadline ในการทำงานเส้นตายเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างมากทำให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมตัวการทำงานตามขั้นตอนอย่างไรและงานจะต้องเสร็จเมื่อไหร่การที่เราไม่ได้กำหนดเส้นตายในการทำงานไว้งานของเราจะไม่เคยเสำเร็จอย่างแท้จริง คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในการทำงานขยายออกไปเรื่อยๆตามเวลาที่มีอยู่ตามกฎของพาร์กินสันดังที่กล่าวมาแล้วเราจึงต้องเรียนรู้จักที่จะควบคุมตนเองโดยการกำหนดเส้นตายไว้กับทุกๆงานที่เรารับผิดชอบฝึกที่จะทำงานภายใต้แรงกดดันหรือแรงบีบบ้างอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องทำงานไปเรื่อยๆไปเปื่อยอย่างเด็ดขาดเพราะเราต้องเคารพเส้นตายอย่างเอาจริงเอาจังเพราะถ้าเราทำงานชิ้นนั้นล่าออกไป นอกจากจะทำให้เราสูญเสียความน่าเชื่อถือซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของเราแล้วยังจะทำให้คนอื่นที่ร่วมงานกับเราเช่นคนที่รับช่วงงานต่อจากเราต้องทำงานล่าช้าไปด้วยเช่นกันการไม่กระจายงานหรือการกระจายงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพการทำงานโดยการกระจายงานมีหลักการเบื้องหลังมาจากการที่เราแต่ละคนรู้ตัวเราวว่าเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถทำได้หมดทุกเรื่องเรามีความจำกัด และแม้เรามีความสามารถครบทุกอย่างเราก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้เนื่องจากความจำกัดของเวลาแฮร์อลเทยเลอร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Making the Time Work for You ถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมกระจายงานให้คนอื่นทำประข้ออ้างต่อไปนี้ครับมันเป็นงานของผมไม่มีคนอื่นที่มีคุณสมบัติพอที่จะทำมันได้หัวหน้างานของผมสั่งให้ผมทำ ไม่มีใครอยากทำงานนั้นเลยคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำงานนี้มาก่อนทำสิ่งนี้มาตลอดมันเป็นความลับผมต้องทำด้วยตนเองผมชอบทำสิ่งนี้มันสนุกดีมันอยู่ในรายละเอียดงานของผมผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่าและเร็วกว่าคนอื่นผมไม่มีเวลาที่จะสอนคนอื่นให้เข้าใจวิธีทำสิ่งนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทำไมแต่ผมก็ทำมันทุกที ผมเคยให้คนอื่นทำมาก่อนและปรากฏว่าล้มเหลวและยังมีอื่นๆอีกมากผมพบว่าเหตุผลที่ยกขึ้นมาอ้างนี้เป็นเพียงข้ออ้างที่ทําให้เราไม่ได้กระจายงานออกไปจนงานทั้งกองนั้นท่วมทับเราและเราก็ไม่สามารถทํางานเหล่านั้นให้สําเร็จได้อย่างแท้จริงเราต้องเรียนรู้ที่จะกระจายงานนั้นออกไปให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเรียนรู้ที่จะวางใจในความสามารถของผู้อื่นแม้จะทําได้ไม่ดีเท่าที่เราทํา และไม่เกรงใจคนอื่นจนเกินไปจนไม่กล้ากระจายงานให้เขาช่วยทำเพราะหากเป็นความรับผิด ช, ชอบร่วมกันของทีมงานแล้วการแบ่งภาระที่ช่วยการทำงานให้สำเร็จทันเวลาย่อมดีกว่าการใ ห, ให้คนใดคนหนึ่งแบบภาระไว้คนเดียวและทำงานไม่เสร็จเพราะนั้นย่อมหมายถึงความล้มเหลวของทีมงานทุกคนเราสามารถกระจายงานโดยหลักการง่ายๆดังนี้หนึ่งอยากกระจายงานด้วยแรงจูงใจว่า ง, งานนั้นเป็นงานที่เราไม่อยากทา สองอย่ากระจายงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักซึ่งมีความสําคัญและเราควรจะเป็นผู้ลงมือกระทําอย่างแท้จริงสอย่ากระจายงานที่เรารู้อย่างแน่ชัดอยู่แล้วว่าบุคคลนั้นไม่มีความสามารถหรือมีความรับผิดชอบเพียงพอสกระจายงานด้วยแรงจูงใจว่าเพื่อที่ทีมงานทุกคนจะมีส่วนในความสําเร็จของงานร่วมกันห้ากระจายงาน เพื่อที่เราจะมีเวลาอย่างเต็มที่ให้กับงานหลักสำคัญที่คนอื่นทำไม่ได้หรือทำไม่ดี 6. กระจายงานแต่ไม่ทิ้งงานโดยคอยตรวจสอบควบคุมอยู่เสมอ 7. กระจายงานโดยเปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมฝึกฝนความสามารถและรับผิดชอบงานแต่ละส่วนตามความเหมาะสมสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกนอกจากสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในหลักๆ ซึ่งผมได้นําเสนอไปแล้วนั้นยังมีสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลทําให้เราเกิดการสูญเสียเวลาในการทํางานด้วยอีกหลายประการในที่นี้ผมขอเสนอแนวทางแก้ไขแต่ละประการดังนี้คนแวะมาเยี่ยมโดยไม่มีจุดหมายบางครั้งเราอาจจะได้ต้อนรับผู้ที่แวะมาเยี่ยมอย่างไร้จุดหมายเนื่องจากเขาอาจไม่มีอะไรทําเป็นชิ้นเป็นอันต้องการฆ่าเวลาให้ผ่านๆไปหรืออาจเดินมาเพื่อทําธุระอื่นเท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นนายจ้างของท่านเองผู้ร่วม ง, งานผู้ใต้บังคับบัญชาการที่เราจะป้องกันปัญหานี้โดยปิดประตูไม่ต้อนรับใครเพื่อจะมีเวลาเงียบสงบในการทำงานนั้นคงจะทำได้ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่เราคงไม่สามารถที่จะปิดประตูขังตัวเองในห้องทำงานทั้งวันได้อย่างแน่นอนแนวทางแก้ไขของปัญหาเหล่านี้คือถ้าเรามีเลขาหนุกการหรือพนักงานต้อนรับเราต้องบอกให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่า เราไม่ต้องงานพบแขกที่แวะมาเยี่ยมโดยไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าเว่นเสียแต่กรณีพิเศษเท่านั้นและบางครั้งอาจจะมีคนเข้ามาในห้องของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตวิธีที่ดีที่สุดคือพยายามยืนคุยกับเขาและจบการสนทนาในขณะที่ยืนคุยอยู่อย่าเชิญให้เขานั่งลงหรือหาเครื่องดื่มให้แม้ว่าจะดูไม่สุภาพนัดแต่ก็เป็นการต้อนรับที่เหมาะสมแล้วสำหรับแขกที่ไม่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า และเพื่อให้การสนทนาจบลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเราอาจจะต้องนึกถึงการนัดหมายกับคนที่เรานัดไว้จริงๆและบอกกับแขกที่ไม่ได้นัดหมายไว้อย่างสุภาพว่าเราต้องรีบเตรียมตัวเพื่อไปพบกับคนที่นัดหมายไว้ต่อไปเราควรจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้เวลาของเราอย่างเต็มที่อย่าให้คนอื่นเป็นผู้ที่ควบคุมเวลาของเราแทนตัวเราเองโทรศัพท์ขัดจังหวะงานในปัจจุบัน โทรศัพท์กลายเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันมีการโทรศัพท์ติดต่อกันมากมายในแต่ละวันไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายติดต่อไปหรือมีคนติดต่อมาหาเราโดยเฉพาะเมื่อเราต้องทํางานด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือองค์กรทั่วไปเราต้องตระหนักว่าการขัดจังหวะในการทํางานเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งการขัดจังหวะนั้นมีความจําเป็นและเกิดประโยชน์ แต่บางครั้งการขัดจังหวะก็ทำให้เสียเวลาและเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าเรามีงานที่จำเป็นและต้องนั่งลงวางแผนการใช้ความคิดอย่างจริงจังการมีโทรศัพท์เข้ามาขัดจังหวะเป็นเรื่องที่ทำลายสมาธิในการทำงานอย่างมากเพราะทำให้ต้องมาเริ่มต้นสร้างสมาธิในการทำงานนั้นใหม่อีกครั้งอาจถึงกับทาให้คิดอะไรต่อไม่ได้เลยก็เป็นได้ แม้ว่าโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยลดเวลาในการเดินทางไปติดต่อสื่อสารตามที่ต่างๆด้วยตนเองแต่ถ้าเราใช้โทรศัพท์ไม่เป็นโทรศัพท์จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราต้องเสียเวลาในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นได้เราต้องตระหนักว่าโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เราไม่ใช่กีดขวางความต่อเนื่องในการทำงานของเราบางคนเมื่อถูกโทรศัพท์ขัดจังหวะในการทำงานก็มักจะแสดงอาการหงุดหงิดไม่พอใจ บางคนถึงกับลุกจากโต๊ะเลิกทำงานไปเลยก็มีอย่างไรก็ตามครับเราต้องตระหนักว่าการขัดจังหวะนั้นจะเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาวิธีการที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่เป็นการขาดการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นอย่างสิ้นเชิงแต่การหาทางป้องกันและการควบคุมการรบกวนทางโทรศัพท์น่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าตัวอย่างการวิจัยของ a t t ในปี1989ได้รายงานว่า การใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้วางแผนการพูดคุยล่วงหน้าจะกินเวลาเฉลี่ยประมาณครั้งละ11นาทีในทางตรงกันข้ามหากเรามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าการโทรศัพท์นั้นจะกินเวลาต่อครั้งประมาณ7นาทีเท่านั้นโดยเนื้อหาที่พูดคุยกันนั้นจะมีความกระชับเข้าประเด็นเร็วขึ้นดังนั้นการคิดไว้ก่อนว่าจะพูดคุยกับคู่สนทนาอย่างไรบ้างจึงจะสามารถช่วยลดการเสียเวลาที่ไม่จำเป็นไปได้ และช่วยเพิ่มเวลาการทำงานให้มากขึ้นได้อย่างมากอีกด้วยสำหรับบางช่วงเวลาที่เราต้องการสมาธิในการทำงานมากเป็นพิเศษเช่นช่วงเช้าสำหรับการคิดวางแผนงานนั้นเราควรจะสั่งงานเลขานุ ก, การอย่างถอดจงว่าช่วงเวลานั้นของเรางดรับโทรศัพท์และขอเลขาให้จดรายละเอียดไว้เพื่อเราจะติดต่อกลับไปภายหลังถ้าหากไม่มีเลขาก็อาจจะหาทางออก ด้วยการใช้เทปเป็นฟิกโทรศัพท์เพื่อจะสามารถนำ ม, มาเปิดฟังและติดต่อกลับไปยังผู้ติดต่อเข้ามาในช่วงบ่ายต่อไปโต๊ะทํางานที่ยุ่งเหยิงการจัดระเบียบในที่ทํางานทั้งโต๊ะทํางานของเราและสภาพแวดล้อมในการทํางานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างมากเราอาจจะต้องขยับโต๊ะทํางานใหม่ให้อยู่ห่างจากประตูหรืออาจจะต้องใช้ฉากกั้นพื้นที่เพื่อจะไม่ถูกรบกวนจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมา อย่าปล่อยให้มีกระดาษสุมขึ้นบนโต๊ะทำงานเว้นแต่ว่าเราจะตั้งใจทำงานให้เสร็จในวันนั้นเพราะความรกรุมรังจะทำให้เกิดความรำคาญต่อสายตาและเปลืองเนื้อที่บนโต๊ะทำงานอีกด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงานควรมีพร้อมสำหรับส่วนตัวอย่าพยายามใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นกนรรไกรคเตอร์กาวเปียบกระดาษปากกายางลบไม้บรรทัดกระดาษโน้ตเครื่องคิดเลข เพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหยิบยืมของผู้อื่นมาใช้และนําส่งวันหลายๆครั้งโดยไม่จําเป็นสําหรับต้นเอกสารที่เก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะควรจัดให้เป็นระเบียบให้ดีโดยอาจจะเรียงแฟ้มตามตัว อ, อ, กอักษรตามลักษณะงานหรือตามวันที่แล้วแต่ความเหมาะสมเอกสารใดที่ใช้บ่อยให้วางไว้ใกล้ตัวเอกสารที่ไม่ค่อยได้ใช้มากนักอาจเก็บไว้ในตู้เอกสารก็ได้ เอกสารที่ยังใช้อยู่บนโต๊ะควรใส่ไว้ในแฟ้มแยกตามหัวข้องานเพื่อสะดวกในการหาและหยิบมาใช้นอกจากนั้นตะกร้าทิ้งขยะก็ควรวางไว้ให้ใกล้เพียงพอที่จะโยนเศษกระดาษหรือขยะอื่นๆได้ง่ายการจัดแผนผังโต๊ะทำงานแสงไฟและอากาศในห้องทำงานก็มีผลอย่างมากต่อสภาพจิตใจในการทำงานของเราถ้าเรารู้สึกอึดอัดเราก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การตกแต่งโต๊ะทํางานให้หน่าดูสดชื่นก็มีผลทำให้เราทํางานได้ดีขึ้นเช่นผมเคยเห็นเพื่อนร่วมงานของผมบางคนเอาต้นไม้เล็กๆหรือตู้ปลาวางไว้บนโต๊ะหรือข้างโต๊ะซึ่งช่วยผ่อนคลายการทํางานได้มากทีเดียวในความเป็นจริงนั้นยังมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอีกหลายประการที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารเวลาบริหารชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพได้ซึ่งเราแต่ละคน ควรจะพิจารณาหาให้พบและสลัดสิ่งเหล่านั้นให้หลุดพ้นไปจากตัวเสียโดยเร็วเพื่อที่เราจะไม่มีสิ่งทวงรังอยู่และสามารถก้าวขึ้นไปสู่ยอดสูงชันแห่งความสำเร็จได้อย่างคล่องตัวแท้จริง